บทที่31อกิมเหลียงกับกิมจือพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของผู้สร้างโบสถ์เริ่มขึ้นเมื่อเวลา9นาฬิกาสิบเก้านาทีและไปเสร็จสิ้นเมื่อเวลา10นาฬกาต่อจากนั้นก็เป็นการรื้อถอนโบสถ์หลังเกา่าซึ่งท่านพระครูได้ขอแรงพวกชาวบ้านระดมกำลังกันมาช่วยซึ่งกว่าจะรื้อเสร็จต้องใช้เวลาถึงสวันและได้พบหลักฐานมากมาย ที่ยืนยันว่าโบสถ์หลังนี้สร้างโดยคนจีนในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชใต้พื้นโบสถ์มีเครื่องกลางใสสตังจีนหยกและเพชรนินจินดาฝังอยู่เป็นจํานวนมากนอกจากนี้ก็ยังมีภาพเขียนสีน้ำมันของผู้สร้างโบสถ์เป็นภาพชายสองคนไว้ผมแกละมีตัวหนังสือจีนเขียนกำกับไว้ที่ใต้ภาพซึ่ง ท่านพระครูได้ขอแรงคนจีนที่ตลาดปากบางมาอ่านและแปลให้ฟังได้ความว่าชายสองคนนี้ชื่อกิมเหลียงกับกิมจือเป็นพี่น้องกันทั้งสองได้เดินทางโดยเรือสำเาวจากเมืองจีนเข้ามาค้าขายที่เมืองละโวแล้วก็มาจอดเรือพักแรมอยู่ที่วัดป่ามะม่วงเห็นวัดยังไม่มีโบสถ์จึงเกิดศรัทธาสร้างถวาย เป็นโบสถ์ทรงไทยตกแต่งแบบศิลปะจีนหน้าบันประดับเครื่องลายคลามที่นำมาจากเมืองสวโขทัมีศิลาจารึกบันทึกเรื่องราวไว้ว่ากิมเหลียงกับกิมเจอมีเพื่อนเป็นฝรั่งชาติฮอลันดาซึ่งเข้ามาทำการค้าขายกับสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่อสองพี่น้องสร้างโบสถ์เสร็จ ก็อยากจะได้พระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์ที่ตนสร้างจึงขอให้เพื่อนที่เป็นฝรั่งชาติฮอลันดาไปทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระนารายก็ทรงพระราชทานพระนาคปลกหินสีเขียวมาสององค์คือพระนาคปลกหูยานกับพระนาคปลกขเขมนคางคนหูตุ้ม จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงในสมัยนั้นชื่อปู่ครูยานสังวรอายุ99ปีเป็นที่เคารพนับถือของคนจีนที่มาค้าขายกับคนไทยในเวลานั้นท่านพระครูต้องคอยระมัดระวังสิ่งของมีค่าที่เก็บขึ้นมาจากใต้พื้นโบสถ์เกรงว่าชาวบ้านจะมีความโลภขโมยเอาไปแต่ถึงท่านจะระมัดระวังอย่างไร ก็มีคนมาขโมยจนได้ท่านรู้ตอนที่เขานำมาคืนซึ่งเขาสารภาพว่าได้ขโมยกาไรยกไปอันหนึง่งสวยงามมากเมื่อส่องกับแสงไฟจะเห็นเป็นม้าก้าตัวกำลังวิ่งตกกลางคืนเมื่อทุกคนในบ้านเข้านอนกันหมดแล้วก็ต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงม้าร้องและเสียงคนจีนพูดลงเลงลงเลงตลอดทั้งคืน ฟังไกร์เสียงด่าและก็สาบแช่งทำให้นอนไม่หลับกันทั้งบ้านพอรุ่งเช้าจึงต้องรีบนำมาคืนเครื่องเพชรนินจินดาและสตางค์จีนที่ท่านพระครูเก็บใส่ปี๊บไว้รวมได้ถึงเจ็ดปี๊บและตั้งใจว่าจะฝังลงใต้พื้นโบสถ์หลังใหม่ เก็บไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินท่านบอกญาติโยมว่าหากมีคนมาขโมยขุดไปก็จะต้องพบกับเหตุการณ์แบบเดียวกับขโมยกำไรหยกพวกชาวบ้านต่างพากันกลัวไม่มีผู้ใดคิดจะขโมยอีกวันที่15พฤศจิกายนเป็นวันเริ่มสร้างโบสถ์หลังใหม่ลงบนพื้นที่เดิมของโบสถ์หลังเก่านอกจากชาวบ้านจะพากันมาช่วยกันสร้างแล้ว ยังได้กำลังจากทหารจังหวัดทหารบกลบบุรีมาช่วยอีกทางหนึ่งค่าก่อสร้างจะต้องใช้เงินถึงสิบหมื่นเงินที่ได้จากทอดกระถินเมื่อวันที่สองได้ยี่สิบสี่หมื่นที่เหลืออีกสิบหกหมื่นต้องรอไว้ทอดกระถินปีหน้าช่วงระยะเวลาที่สร้างโบสถ์เป็นช่วงที่ท่านพระครูเหน็ดเหนื่อยที่สุดบางวันท่านไม่ได้ฉันพระทหารเช้าและเพน ยังชีวิตยอยู่ด้วยน้ำเพียงสามสีแก้วร่างกายของท่านซูบผอมจนดูผิดรูปผิดร่างน้ำหนักเหลือเพียงสี่สิบกิโลกรัมซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความสูงญาติโยมพากันห่วงใ ย, ยท่านเกรงว่าจะมรณภาพเสียก่อนที่โบสถ์จะเสร็จการสร้างโบสถ์ดำเนินไปได้สามเดือนหลวงตาเฟื่องก็มรณภาพและที่น่าสลดใจก็คือ ท่านเป็นพระภิกษุน่าจะมรณะภาพที่วัดหรือโรงพยาบาลแต่กลับมรณะภาพที่บ้านวันนั้นหลังจากฉันเพลนแล้วท่านก็เก็บในนาที่หลวงตาอ้อนปลูกไว้นำไปให้ลูกหลานถึงเวลาเย็นก็ได้เวลากลับวัดท่านเกิดเวียนศรีรษะจึงให้ลูกหลานปูเสือ่อและหาหมอนมาให้คิดว่านอนหลับสักพักคงจะหายเมื่อได้นอนก็เกิดหายใจไม่ออก และรู้สึกจุกที่หน้าอกลูกชายจึงขี่จั ก, กรยานไปตามหมอที่ศุกษาลาแต่หลวงตาวัยใกล้เจ็ดสิบเศษก็สิ้นใจก่อนที่หมอจะมาถึงท่านพระครูรู้สึกสลดใจเพราะท่านรู้ว่าหลวงตารูปนี้ไม่ได้ไปดีจึงอยู่ในช่วงหลังหลวงตาเฟื่องพยายามทำความดีแต่ก็ไม่สามารถฝืนใจได้เพราะการทำความดีต้องฝืนใจในระยะแร ก, แรก ทำจนชินแล้วนั่นแหละจึงไม่ต้องฝืนเมื่อท่านฝืนใจไม่ได้จึงกลับมาประพฤติเช่นเดิมอีกกระทั่งมรณาภาพเดือนต่อมาหลวงตาอ้อนก็มรณาภาพอีกท่านพระครูรู้สึกสังเวชใจเพราะเมื่อท่านมาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงใหม่ๆ มีเพียงเนนกับพระภิกษุสองรูปนี้เมื่อมามรณาภาพในเวลาใกล้เคียงกันจึงทำให้อดใจหายเสียมิได้ข้างฝ่ายญาติโยมก็พากันเสียใจกลัวว่าจะเอาว่าจะมรณาภาพตามไปอีกซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ย่อมหมายความว่างานสร้างโบสถ์ต้องหยุดชะงักลงจริงอยู่แม้ในเวลานี้จะมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ถึงหรูป หากก็ไม่มีรูปใดที่จะมีความสามารถที่จะรับภาระแทนท่านพระครูได้ท่านสมภานอิชันนำพัฒหารมาถวายนิมนต์ฉันเพลจจากถึงเวลาแล้วนางโถไปนิมนต์ท่านพระครูขณะที่ท่านกำลังดูแลเรื่องการก่อสร้างโบสถ์อาตามา ย, ยังไม่หิวหรอกจักอยากให้งานเสร็จก่อนเรื่องคบฉันเอาไว้ทีหลังท่านบอกนางโถ ซึ่งเท่ากับท่านต้องการบอกใบว่าท่านไม่ฉันเพงนางโธรู้สึกน้อยใจและยิ่งเป็นห่วงสุขภาพของท่านรู้ว่าท่านชอบแกงเลียงนางอุสาท ร, รมาถวายท่านกรับทำท่าว่าจะไม่ฉันจะทำอย่างไรดีหนอท่านอิฉันขอร้องเถอดจะ้ะอิฉันไม่สบายใจเกรงว่าท่านจะอาพาธเจ็บป่วยเพราะท่านตราตรา ทำงานมามากเหลือเกินถ้าไม่เห็นแก่ตัวท่านเองก็นึกว่าเห็นแกอีชั้นเถิดจะ้ะนางอ้อนบอนขอบใจโยมมากจะ้ะแต่อาตมาอยากให้งานเสร็จอาตมาไม่หิวคราวนี้ท่านปฏิเสธชัดเจนความน้อยใจทำให้นางโถถึงกับร้องไห้ท่านพระครูออกตกใจที่เห็นสตรีอายุราวโยมแม่มานั่งร้องไห้ จึงถามว่าโยมเป็นอะไรร้องไห้ทำไมอิชันเสียใจจะ้ะเสียใจที่ท่านมองข้ามความหวังดีของอิชันถ้าท่านไม่ฉันอิชันสาบานว่าจะไม่มาวัดนี้อีกใจเย็นๆนะโยมเอาละฉันก็ฉันงั้นก็ไปที่กุฏิเดี๋ยวอาตมาจะตามไปนางโถดีใจนักรีบยิ้วปินโต เดินไปที่กุฏิของท่านและก็สั่งให้เด็กชายสำรฤทธิ์ช่วยตั้งสำรับสักครู่ท่านพระครูก็มาถึงเข้าไปล้างมือล้างเท้าในห้องน้ำแล้วจึงมานั่งฉันกระนั้นก็ฉันไปสองคำสามคาจึงรวบช้อนนางโถอยากจะขยันขยอให้ท่านฉันอีกหากก็เกรงว่าท่านจะรำคาญจึงได้แต่ปลอบใจตัวเองว่า ท่านฉันสองสามคำก็ยังดีกว่าไม่ฉันเกิดมาก็เพิ่งจะเคยพบเคยเห็นคนที่ห่วงงานมากกว่าห่วงตัวเองบุคคลที่เหน็ดเหนื่อยไม่แพ้ท่านพระครูคือนายทองหยดชลาธรเขาขับรถจากลบบุรีมาวัดป่ามะม่วงทุกวันเพื่อมาดูแลเรื่องการก่อสร้างโบสถ์และก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของท่านคณะกรรมการไม่ได้มีบทบาทมากนัก บางคนกลับทำให้ล่าช้าเข้าไปอีกดังนั้นแม้จะมีการแต่งตั้งกรรมการหากคนทำงานจริงๆมีเพียงสองคือท่านพระครูกับนายทองหยดส่วนขหาบดีอีกสองคนที่อยู่พิจิตคนหนึ่งนะครราชสีมาคนหนึ่งหลังจากทอดกระถินเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนแล้วก็ไม่ได้มาอีกหากรับปากว่า ปีหน้าจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพอีกครั้งเวลาผ่านไปอีกครึ่งปีการก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ยึงเสร็จเรียบร้อยยังความโล่งใจให้กับพวกชาวบ้านและพระลูกวัดเพราะถ้าการก่อสร้างยังไม่เสร็จสิ้นท่านสมพาน์วัดป่ามะม่วง อาจจะต้องมอรณาภาพตามหลวงตาเฟื่องกับหลวงตาอ้อนไปเป็นแน่ภารกิจลำดับต่อไปก็คือการเตรียมฉลองซึ่งเท่ากับท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยอีกครั้งก่อนหน้าที่ท่านพระครูจะมาอยู่วัดป่ามะม่วงที่วัดเคยมีงานมหาะหรสทุกปีในงานก็จะมีภาพยนตร์ลิเกลำตัดและการละเล่นต่างๆตามความนิยมของท้องถิ่น แต่หลังจากที่ท่านมารักษาการเจ้าอาวาสก็ไม่ได้อนุญาตให้มีการแสดงมหหรสพวัดอีกด้วยเหตุผลที่ว่าการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินเข้าวัดซึ่งต้องมีการลงทุนบางครั้งก็ขาดทุนบางครั้งก็ได้กําไรแต่ถึงได้ก็ไม่คุ้มเสียเพราะคนที่มาชมมหรสพ บ, บางคนมาดื่มสุรายาเมากันในวัดแล้วก่อเรื่องทะเลาะวิวาท ตีกันหัวร่างข้างแตกบ้างฆ่ากันตายบ้างซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้มีปรากฏเสมอๆตามงานวัดงานฉลองโอโบสดจัดขึ้นสวันสามคืนมีการทำบุญตักบาตรฟังเทศและเจริญวิปัสสนากรรมฐานกลางคืนเป็นการบาเบลนดนตรีไทยของคณะจรุญรัตซึ่งแต่ก่อนมีหนุ่มเจริญจรุญรัตเป็นหัวหน้าวง แต่หลังจากที่เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒโดยไม่มีวี่แววว่าจะศึกนางจำแรงพี่สาวก็ได้เป็นหัวหน้าวงสืบต่อมานางจำแรงมีบุตรสี่คนเป็นหญิงสองชายสองและหล่อนก็ได้ถ่ายทอดวิชาดนตรีไทยให้กับบุตรสาวบุตรชายทั้งสี่คนจนสามารถเล่นออกงานได้หลวงน้าอยากฟังเพลงอะไรครับ เด็กชายมิ่งเมืองถามท่านพระครูหลวงนาอยากฟังไม่ได้หรอกมิ่งเอ้ยเดี๋ยวจะเป็นอาบาัตเพราะหลวงน้าเป็นพระแต่ถ้าเองอยากจะเล่นให้หลวงน้าฟังก็เล่นเพลงแขกรบุรีเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมล่ะท่านถามหลานชายได้ครับแม่ขอเพลงแขกรบุรีให้หลวงน้าหน่อยเขาบอกมารดา แล้ววงดนตรีก็เริ่มบรรเลงอย่างไพเราะเพราะพริง้งท่านพระครูแสนจะเพลิดเพลินหากก็กำหนดเพลินเพลินหนาไปด้วยเพื่อไม่ให้เป็นอับดัตนางจําแรงรู้ใจพระน้องชายเมื่อจบเพลงแขกแลบุรีและจึงต่อได้เพลงราตรีประดับดาวหลานสาวคู่แฝดคือปทุมกับประเทืองก็มานั่งฟังอยู่ด้วย ท่านพระครูมองหลานสาวคู่นี้แล้วก็ให้สงสารแม้จะเข้าสู่วัยสาวแต่ก็ยังพูดเสียงออี้เพราะจมูกบี้มาตั้งแตก่เกิดท่านคิดว่าจะช่วยหลานหากรู้จักหมอทางศัลยกรรมก็จะขอให้ผ่าตัดเสริมดั้งจมูกให้หลานเรื่องค่าใช้จ่ายท่านจะเป็นผู้ออกให้เองเพราะทองที่ได้รับเป็นมรดกจากโยมยายยังเหลืออีกหลายบาท ผู้มีบุญญาธิการนั้นเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็มักได้ดังที่ปรารถนาเช่นเดียวกับท่านพระครูเจริญจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงผู้ซึ่งปรารถนาจะได้พบแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร์มาผ่าตัดจมูกให้หลานสาวขณะที่ท่านนั่งฟังดนตรีและกำหนดเพลิดเพลินหนออยู่นั้นนายแพทย์สมเจตนาก็เข้ามากราบพร้อมกับชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่ง อ้าวคุณหมอก็มาร่วมงานกับเขาด้วยหรือท่านทักทายครับผมแม้ดนตรีไพเราะเหลือเกินผมนั่งฟังมานานอยู่ทางด้านโน้นแสดงว่าคุณหมอมานานแล้วครับมาสักพักใหญ่ๆผู้คนมากมายเหลือเกินผมจะเข้ามากราบท่านตั้งแต่ตอนมาก็คร้านจะเบียดเสียดกับคนอื่นเลยนั่งรอให้คนซาลงซก่อน อ๋อผมลืมแนะนำนี่นายแพทย์เจรวิทย์หลานชายผมเองเพิ่งสำเร็จแพทย์มาจากสหรัฐอเมริกานายแพทย์หนุ่มยกมือประนมไ่ายอย่างนอบน้อมเขากราบท่านพร้อมคนเป็นอาไปครั้งหนึ่งแล้วเจริญพรโยมจบสาขาอะไรชำนาญทางไหนสารยศาสตร์ครับท่าน ได้ฟังเช่นนั้นท่านพระครูแสนจะยินดีถามเขาว่างั้นก็ผ่าตัดเสริมจมูกได้น่ะสิได้ครับผมเรียนมาทางด้านนี้โดยเฉพาะคำตอบของในแพทย์หนุ่มทำให้ท่านสมพานปีตินักคิดในใจว่าเรานี้ก็มีบุญเหมือนกันนะดูหรืออยากจะพบหมอมาช่วยทำจมูกให้หลานสาวเวลาผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียว ก็ได้พบสมความตั้งใจต้องยกความดีให้กรรมฐานเราปฏิบัติกรรมฐานมามากถึงได้นึกสิ่งหนึ่งประการใดสมใจนึกแล้วจึงเรียกหลานสาวที่กำลังนั่งฟังดนตรีอยู่ให้เข้ามาหาประทุมประเทืองเข้ามาหาหลวงน้าหน่อยสาวน้อยคู่แฝดครานเข้ามาใกล้ๆแล้วถามขึ้นพร้อมกัน อ้วงอาเอียกหูอําไอาอ๋อนี่คุณหมอไหว้เสสิเขาจะมาผ่าตัดจมูกให้เองสองคนจะได้มีจมูกโดงๆเหมือนคนอื่นเขาท่านบอกหลานคู่แฝดยกมือไหว้ในแพทย์เจรวิทย์และถามขึ้นพร้อมกันว่าอุนอ๋ออําไอาอิงอิงอ๋อนายแพทย์เจรวิทย์พิจารณาดูจมูกของสาวน้อย เห็นว่าบี้แบรนมองไม่เห็นดั้งเลยก็รู้ในทันทีว่าเหลือวิสัยที่จะทําได้หากก็ไม่ต้องการให้หญิงสาวเสียใจจึงพูดแบบแบ่งลับแบ่งสู้ว่าขอคิดดูอีกทีนะแล้วหมอจะบอกผ่านมาทางท่านพระครู อ, อบอุ่นอ่ทั้งสองกระพุ้มมือไหว้แล้วก็ครานออกไปนั่งที่เดิมผู้แฝดครานออกไปแล้ว นายแพทย์หนุ่มจึงกระซิบกับท่านพระครูว่าผมต้องขออภัยแบบนี้ทำไม่ได้ครับการเสริมจมูกต้องมีดั่งเก่าของเจ้าของด้วยแต่สองคนนี้เขาไม่มีดั่งเป็นเชื้อให้เสริมเลยทำไม่ได้จริงๆครับคำพูดของหมอทำให้ความหวังของท่านพระครูในอันที่จะช่วยหลานสาวพลันดับบูบลงหลงูมิใจ ว่าท่านมีบุญนึกทำสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่ปรารถนา15นาทีให้หลังบุญก็ทิ้งไปเสียแล้วสงสัยว่าจะต้องเปลี่ยนจากชื่อเจริญมาเป็นบุญทิ้งเสียกระมังเวลา4ทุ่มการบรเลงดนตรีก็ยุติลง นายแพทย์สมเจตกับหลานชายลาท่านพระครูกับโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในตัวจังหวัดชาวบ้านแถบนั้นพากันกลับบ้านเรือนตนส่วนพวกที่มาจากที่ไกลพากันยึดศาลาวัดเป็นที่นอนท่านพระครูลงจากศาลาเดินกลับมายังกุฏิที่พักส่งน้ำชำระร่างกายแล้วจึงสวดมนต์แผ่เมตตาดังที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตร ท่านครุ่นคิดถึงเรื่องหลานสาวคู่แฝดจะนอนไม่หลับมนุษย์เราทํากรรมแทนกันไม่ได้จริงๆท่านคิดว่าจะช่วยหลานโดยใช้กรรมดีที่ท่านสะสมไว้หากก็ไม่สามารถช่วยได้นึกถึงภาพที่นางจําเรียงพี่สาวของท่านแสดงท่าทีรังเกยียจนายแหลมผู้เป็นลูกจ้างทําให้กรรมมาตกอยู่ที่ลูกสาวกระทั่งนายแหลมตายไป ตั้งนานแล้วพี่สาวของท่านก็ยังต้องมารับกรรมด้วยการเห็นลูกนะ้าสาวผู้เป็นเสมือนตราบาปอยู่ทุกเมื่อเช้า ว, วันผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องกรรมเก่าท่องแท้อาจจะสงสัยว่ามารดาเป็นผู้ทำกรรมแต่เหตุชะไหนลูกต้องมารับทั้งที่มนุษย์เราทำกรรมแทนกันไม่ได้คำตอบก็คือเป็นเรื่องของกรรมจัดสรร ประทุมกับประเทืองจะต้องทากรรมนี้ไว้จึงเกิดมาเป็นลูกของนางจำเรียงซึ่งกรรมที่ทำหน้าที่นำมาเกิดหรือทำหน้าที่จัดสรร น, นั้นคือชนกกรรมกรรมเป็นเครื่องสลับซับซ้อนยากที่คนธรรมดาจะรู้และเข้าใจเหตุนี้กระมังพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่ากรรมเป็นอาจินไตซึ่งหมายถึงเรื่องอันบุคคลไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนผู้ที่ปฏิบัติวิปัสนาจนถึงขั้นแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใจเรื่องของกรรมได้ประทุมกับประเทืองเอ้ยหลวงนาสงสารเองจริงๆเอ็สองคนต้องเคยทำกรรมไม่ดีไว้ถึงต้องมาเป็นเช่นนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละหนอ ท่านพระครูรำพึงอยู่ในความมืด